พระธรรมเทศนาจะดกเปื่อนเมืองเหนือเรื่องสุวรรณแปะคำภูกทสิบสต้นฉบับเดิมจากเมืองเจียงตุงเรียบเรียงใหม่โดยป่ออินสมชัยชมพูปเปลียนทำหกปริยคนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเจียงไย นะโมตัสสะพกวโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะสมเปตเถรานิกาสาหัสสะปัญญากันตานะปัลลโยเทกเหตวติ สาธาวดุราสาปุริตาตั้งลายตั้งยิงใจน้อยใหญู่มักไฟตั้งบุญอันจักหนุนสงยูอือได้ยู่เจริบ้านจริงเือตานเขานำวัตถุพรมตามมีศีลดวงดีห้าแปดใจกดแขวดกับตน ตักังวลเป็นเตือใจไฟเอือภาวานาปากันมามวลหมู่พร้อมน้าอยู่ฝังรรมจุงดาจำติดต่อตามบาทคอบาลีวา่าส เ, เตเตปเัญค้าดังนี้เป็นตนติดสืบสนตวยไปบัดนี้เดืดเอ สัพเตปตเปญยาคาอันวาเสือดงนาลายหลากนับแต่หากหลายปันกันป้ากันมารอดถึงที่จอดโยธาก่อนยอบกาญคาเข้าไก่เป่าเปิบใสสาสนคบรีปนหัดเท้าแห่งตันเต้าจำป่าคบแข้งขาวะวาก กาบแข่งหลากนำไปพ่องใสไหลพดออกมาปลายนอกเป็นสายพ่องหัวหายคอขาดมาราดสับปันพ่องสักยันวิเศษจบแจงเป็ดติปมุนเสื้อผ้าตนพุดขาดบ่อเจ็บบาทกาญาจุมโยธาน้อยใหญ่แตกตื่นไขยจูาย เหตุเสือลายกาหยาบมากันกับประวิเจ้าปุริยอดยาวคือว่าเต้าจำปาก็้คุณต่างตาแก่นใจเอาข้อนห้กองใจฮือเสนาในถอยห่างไปอยู่เด่นกว้างไกลตาเสือดงนาบอดจ่าเล่นจอมกว่าตววไป จุ่มจางใจร่องแสนมาเต้นแหลนซาสนฟูงรีปนเย้าเหยือกใจความเขือกเววาถือภาลากับดาบเขาหอบผาปันแตงเสือมีแห้งเร็วกว่าเขากลับกว่าบัดเดียวหอกคมเขียวหนู่ยอกเสือเต้นออกเร็วไว แล้วเต้นเข้าไปไหวหวาดคบคอขาดปุดหายเสือเรียวลายลำหมอกคนไปนอกตายไปคนอยู่ไปไหนหากรรดเสือแวดจอดใหญๆ กรีปนตายลายแหลมีจุู่แงอาณากันตาวันดาเรื่องรุงรัฐเสมีปุ่งเรื่องไรเสือดงไพราลายหลากต่างตัวต่างหลากกรีปนตัวละคนบอดจ้าเล่นเข้าป่าดงดานเอาเป็นอาหารอิ่มต้องแล้วลีอยู่ห้องดงรีก็มีหันและนา โสโราจากันตาวันใสแจ้งส่องหันไข่หองอาณาเต้าจำปยายดใหญ่หันไข่ไ ต, ตรีปน <c oughs> พ่องมีแข้งขาตนปุดขาดพ่องเจ็บบาดกัญญาบีนำนาลายแหล่นอนพัดแผ่อือข้างเจ้าหอควางยดใหญ่สัตยาใสเร็วไว เป่ามนใจวิเศษตามสว่าธเปิดเหียนมาหันตันตาแต่ใสจุมไัยไตยรีปนอันมีตัวตนเจ็บบาดหายเสียงขาดบาดเดียวลุกขึ้นเร็วจุผููต่างจืนอสู้นำนาส่วนคนแขนงขาปุดขาตกเรียราดสูนกันเขาบบตันพอแจง้ง ว่าเป็นของแห่งคนใดรีเปลวไวตอ ต, อต่อเอายาหดหล่อสะปันก็ติดกันดังเก่าบ่มีหอยเหลาสันได้ต่างมีใจจื่นยาวยอคุณเต้นานาน้าพ้องสังกาบอ่อน้อยเล็งพ่อค่อยลายห่นบ่แม่นของตอนแน่มัน ปลายหนึ่งสันดูขาวปลายหนึ่งปล่อยเย้าแต่ใสซักมึกใสเล่นลายยามผันภายเตียวางตัวแปดปังไปมาพ้องแขนขวาเกยใจสักสยันใสเป็นไม้บัดนี่เหล็กยันหายเสียงไข่นิ้วมือใหญ่นำนา ดูลักาตั้งหมู่ต่างไขหัวอยู่เรื่องนั้นก็มีฮันและนะกาฬโยเกสัมปะเตกันกาฬกวนมาไขคุณยศใหญ่เซนาบอดีแห่งเต้าผูมินุ่มเน่าหน่อพระเจ้าทารุงยาน โกโ็ยกรีพนหานมวลมากออกไปจากเพียงใจกันกไกลไปรอดถึงที่จอดโยธาแห่งเต้าจำปาอาจกาบอดได้จ่าสปันก่อเข้าฟันรบภาเกินคานาภาจนจุ่มรีพนสองฝ่ายต่างบอไปทายนี้ ทางเจิงดีองอาตางชะลาเตรียวไว้เสนาในหมู่จ้างเขางัดง้างต่อจนจุมรีพนหมูมากก็อาจการับเสียวหอกคมเขียวปุ่งใสเงาวดาบไล่สับฟันเขากวนกันตั้งหมูป้อบองเป็นไผยฟ้าติในฟันหันพ้องหลอดดันพระนี <c oughs> พองอาบยาดีวิเศษพองใจเวทมนต์ยันตนแต่งฟันลืมเล่าบ่อหอนเขากาญ้าพองมาราณาความนาเหนือปุญญาดินสายต่างายตายลายแหล่เลือดนองแผลดินดานหบเมื่อนานบ่ผ่อนต่างอิดอ่อนร้รอยแรงเถึงตาวันแดงคำลา ดาลป่าดงรีเสดาโบดียศใหญ่ก็เรียกภัยไตเมืองตนรีบถอยห้นขึ้นสู่ยังที่อยู่ภายในส่วนเต้าจอมไตมาหิตที่ราชผู้หาหาตารุนก็นน้ำรีปนน้อยใหญ่ออกแก่นไลลจอมหลังเสียงอึ้งอังโหรอง สนั่นกองอาณากันว่ามารอดไก่ก็เข้าบอ่อใดดังหมยจริงฮือรีปนลายมวลหมูยังจอดอยู่เศร้าแรงนอกกำแพงเมืองใหญ่บ่อฮือใดลาสาฮือเสนาหนุ่มเทาเปลี่ยนกันเข้าเศร้านอนเย้าเสือดงดอนตัวหยาบจักมากลับป้าไป โยธาในใหญ่น้อยต่างอ่อนม้อยเดือนหลพ้องกลัวตายความนาย้อนเสือกาดงดอนเล่นเข้านอนกลางหมู่ต่างหยัดอยู่จริงกันเสียงเนื่องนั้นบอพผ่อนมีจู่บอลอาณาพ้องรักษาไปนอกมือถือหอกปืนไฟ ตั้งธาตุใจนำไม้ปืนปิดใส่ยาจำพ้องอยู่ผ้าจำกองใหญ่ดาตีให้สัญญาพ้องนำนำนากิ่งไม้มาแวดไวจ้จูายบ่อเมื่อหลายสักกากจูผู้หากรวยแรงแม่นใจแข็งตัวอ่อนย่อนบ่ได้ยังย่อนตั้งวัน ยังบ่อตันจักได้หันเสื่อใหญ่ดงดอนก่อต่อตนนอนจู่ผูลับมูกมู่จู่คนคนก็มีหันแลยนะกันมาดชีมายามมาไขผ่านหญ้าเสื่อใหญ่ดงด้านก่อป่าปริวานลายลากออกมาจากดงตัน กันปากันมารอดถึงติจอดโยธาบ่อรอร้านึ่นจ้าเขากลับกว่าพลาจนครบรีปนมวนหมูอันลับอยู่เมื่อขอนผ่องกอดนอนกังไก้ผ่องหูคิงใดเร็วไวรีบตีกองใจเป่าร้องดังไข้ห้องอาณา ทางเือปืนยาหอกดาบเขารบภาพแต่งฟันเสือดงตันบ่อการคนบ่อยานถอยหนีเสือดงรีกันกาบคนเอาดาบซับฟันเสือเรียวปันเต้นออกคนปุ่งหอกตัวไปเสือลบไวบ่อเจ้าเขากับว่าควบคอคนหนึ่งยอดาบฟาด ตัวเสื้อขาดบำวาย <c oughs> เสื้อก็ตายบ่น้อยคนก็กาดก้อยมาราณามากนำนาลายแลมีจู่แงสถทานเต้าผู้บ้านมาหิตที่ราชผู้เฮาหาตรน ก็เฮือรีปล์มวนหมูออกไปตั้งอยู่แดนไก่เสือดงไพรากายาไพลกันกาปรีปลตัวละคนบ่จ้าแล้วเล่นเข้าป่าดงตันยามตะวันดารุงรัศมีปุ่งเรื่องไรก็มีหันแหละนาะ อันตาวันใสแจ้งสองหันไข่หองทอรนีเสนาบอดียศใหญ่แห่งรอพระติวัยทรงญาณก็นำรีปนหาหลายลากออกไปจากเพียงใจรีปนไหลละลาดบ่อหููขาดเป็นทายดังปูกหมดลายสะสู่ ออกจากที่อยู่หังมันเข้าแต่งฟันหบภาพด้วยห อ, อกดาปื้นยาจุมโยธาสองฝ่ายต่างบอป้ายถอยหนุนเข้าผาจนผาสูตตั้งสองโมกวนกันกั น, กนตาวันคำลาดาลับป่าดงรีเสนาบอดีหาเท้าก่องเปล่ารีปน เรียบถอยหนเข้าสู่ยั่งตีอยู่ภายในเต้าจอมไต้มหิตที่ราจเจ้าภาษาจำปาก็นำโยธาต้วไลกันมารอดไกเวียงใจเข้าไปาในบ่อใดก็ฮือไผ่ไตดวงลายจอดย้ายย้ายเป็นหมูยั่งย่อนอยู่เศานอน ยามเดึกอ่อนซอนมาไขพย า, าเสือนใหญ่ดงด้านก่อป่าปริวานมวลมากออกมาจากดงรีเขาราวีกับกว่ายังไผ่ฟารีปน โอลาห์หนักเงาเกิดไขดาวอาณาจุมโยธาน้อยใหญ่บ่อหอนได้เสาแรงกันตีนฝ้าแดงเรื่องรุงรัตสมีปุ่งเรื่องไร เสือดงไพรทวนนาเล่นเข้าป่านี่หายถึงยามง่ายมารอดคุณใหญ่ยอดเสนาก็ะนำโยธามวลหมูออกมาผาบสู่แตงฟันดังนี้ตั้งวันจ้าใจเจ็ดวันไขเป็นายต่างฝ่ายตายลายแลมีจูงแงอานาเกามีฮันแหลนา วนาติวเสกันวันลูนมารอดคุณเท่ายอดโยธาแห่งพญ า, ามห ah ิทธิราชก่อโอกาสทุนสาร <c oughs> ว่าคาแดพระผู้บานยศใหญ่อันว่าภัยไต้เราราบ่อใดเศร้าส า, สายังจอต่างหิวหอดรวยแรง ฮบบ่แข็งแรงอ่อนบ่เหมือนก่อนวันอ่อนกลางคืนนอนบ่ได้ยอนเสื้อใหญ่ดงดำมีมากนำกาหยาบมากันกับผ้าจน จุมรีปนใหญ่หน้อยใดกาดก็แอบว่ำวายลางพ้องหายผากักนาย่อนเสือกับกวาป้าไปถึงตาวันใสมารอดก็บ่ได้จอดเศร้าแรงย้อนคุณใจแข็งเฮาหาดแห่งเต้าทิราชปัญธุมติราชายกรีปนมาทวนนาเข้าต่อตาราวี รีปนเรามีหลายหลากจูฟูหากอาศาเตามีกาญ้าอิทอ่อนย้อนบอดได้ย่างย่อนเศรนอนมือสองคอนถือดาบเขารบภาพแต่งฟันพ่องบอตันจักได้กินเลี่ยงใสอันได้เต้า อ, อดใจภาพสุพ่อหอนรูถอยหอน จุ่มรีปนบ่นอโนยจริงกาดก้อบบยบำไว้ผ่องนั่นตายความนาบ่อใจตานคาฟันแตงย้อนรวยแรงลายแหล <c oughs> จจิงเต้าแพ่เบื่อมอนขอพระผู้ทรนยศใหญ่จุงคกุดไข่คานิิงในกันเราอยู่ไปเดินจ้า จุมพวกกานโยธามีนำนาโกฏล้านอันบ่หูก้านถอยหนีจักตายเป็นผีหลายหลากกำลังแข็งมากอาจกาอาจต่อตาผจน ก่อยยกรีปลนใหญ่น้อยหายอ่อนม้อยมีแรงกำลังแข่งอาจกาอาจต่ตาพระจนก่อยยกรีปล่นมาใหม่เราเที่ยงภาพได้บ่สงสัย กานขุนเตรียมใจยดใหญ่ก่าวเสียงไข่สุดกำเจ้าหอคำมาฮิตทีราดก่อโอกาสกำไปว่ากำต้านไข่กาวจีหากแม่นตีตามร้อยเรานี่หมายใครได้ยังพาสาัตว์ใสคำขาจริงยกโยธาลายลากออกมาจากเมืองเรา กันผาบเอาบ่อใดยังผาสาดใหญ่ใส่สีป้อยจักมนีขึ้นสูยังที่อยู่เมืองตนจุมหมู่คนถั่วดาวย่อมจักก่านินตา ว่าเรานีนาขียานใจสะตานกลัวตายเราเตียงอายเผดหน้าแก่ไพ ฟ, ฟาภาจาตั้งพาญาหน่อยใหญ่อันเกย อ, อยู่ไต้สมพานจากมาหนาหานลายหลากเอาตนจากเสียกายตั้งสวยไร้ลายสิ่งของกาหยิงนานาบ่อนำมาหยื่นตอน เมื่อเมื่อก่อนเดิมอ่อนเราอาวอนนักแก่ตุกลำแผหอระไทยกันจักอยู่ไปเั่นจาจุมไผ่ฟ้าโยธาบอกได้สาวซาหยั่งย่อนต่างอิดอ่อนเดือดลายเตียงจักตายบอข้างดังกำตันอ้างไข่ปั่นกันเจ้าหอจันทธิราชสุดเสียงขาดราชเจองค์การ ใจหานยศใหญ่ก่อขับไว้ทุนสาเรายกโยธามวลหมูปอกขึ้นสู่เวียงใจกวนจากไข่เกาจีเ อ, อแจ้งที่ตามีว่าเราบอใจนีไปก้านหรือสะต้านกลัวตายเหตุรีปนลายอิอ่อน จริงยังย่อนเป็นหนจักมาพาจนแถมไม่พาพือใดดังหมายคนตั้งหลได้ฮู้บ่ อ, อาจอูนินตาแลยนาเอวังบทเตกันคุณเสนายดใหญ่กาวเสียงไข่สุดปลายเต้าผีพายมาหิตที่ราดคันนิ่งขวาดหันตัน ก็เร็วปนรีพาวฮือร้องเป่าโยธาว่าัดนีนาเจ้าฟ้าจักอายนาเมื่อเมืองฮือโยธาเรีองน้อยใหญ่ดาผอมไข่เร็วไว้โยธาในน้อยใหญ่หูแจ้งไขสัญญาต่างสมมานัตสาเจริญยาวโหร้องเศร้าเนื่องนั้น พ่องมือถือพันไม่เต้าพ่องตัวเป่าได้ได้หอกดาบหายหักขาดพ่องเจ็บบาดกาญาปากันมามวนหมู่พร้อมน่าอยู่ตามกรรมเต้าอาธรรมมาหิตที่ราดผู้หาหาดขึกนทานก็ขีจ้างสารนตัวกาออกก่อนหน้านำตาง ลัดดงควางป่าเศร้าตามตั้งเก่ายามมารีบไก่กาด่วนหาวลัดดานดาวดงตันลายขึ้นวันจิงรอดเมืองแก้ญยอดจำปานาครและนาปันทุมาตินาการวาสิโนส่วนเจ้าเมืองปันทุมาติปุรีมีเสนาบดีเป็นเก่า ตั้งอามาัดก้าแกมเมืองโยธาเรื่องภัยไตยหูวเตาไทายจำปายกโยธามวลหมูป่ปอกขึ้นสู่เมืองตอนเกือถอยหนุนปลายก้านปอกสู่บ้านได้ได้ต่างใจพายจืนยาวโหร้องเศร้าตั้งเมือง เสียงดันเนื้องมีกองเกิดไข่หองอ า, านาณพุทธาตนองอาจกอฮืออามาเตรียมใจรีบเปลวไวร่องเป่าไปไข่ดาวเวียงใจว่าฮือคนในภยใัยไตตั้งน้อยใหญ่นิ่งใจรีป้นไายมวลหมูไปซุ้มอยู่ลานหลวง เล่นปั่นปวงต่างๆตามไฟอ้างไผมันทวนเจ็ดวันเป็นขนาดยให้อขาดคนใดคนเวียงใจทัวดาวหูแจ้งข่าวสัญญาปากันมามวนหมู่มวนเล่นอยู่จอมกันเสียงเดืองนั้นมีกองคือเสียงปาดกองมหรีตุรีญานนทีหลายสิ่ง มะฮอราศบหญิงดันเลื่องเป็นดังเมืองใหญ่กว้างจักแตกมั่งเพท่ากันเจ็ดวันมาคบไว่หน่อปฏิไวคุณธรรมก็เอาข่าวแปะคำผาเสิ้มีคุณเลิดเจียงคานมาทิิฐานเมียนแล้วก็จกเอาแก้วและแสง เื่องขวัวแป้งลายสิ่งของกาญงนานาหืแก่โยธาน้อยใหญ่บ่อเว้นไววคนใดตั้งสายวงใหญ่ป่อแม่และเท่าแก่ตาใหญ่ลูกนิ่งใจเอ้ยอายตั้งแม่ไม้ตกผ่านแห่งรีปนหามนม้วนหมู อันไปหมู่หมู่ว่ำวายคือไปตายความนาย้อนต่อตาแต่งฟันหื้อสายปงปั้นเขาเจ้าหายโศกเศร้ า, ามองขี้เขาของมีใจใจบอกหื้อได้ตกผ่านหื้อได้อยู่สำรานหลยแล่บ่เวนแว่คนได้กันยำใจมารอเต้าเจ้ายอดบุญพาย ก็คือคนหลายมวนหมู่ปอกที่อยู่ใมันก็มีฮั่นเลยนะโปิคอปาหนามหิตธิราชาส่วนพาามหิททิราชเจ้าภาษาจำปา ยินเครื่องกาเอาใบดังเอาไตไฟลนย่อนปารีปน้วนหมู่ไปหมู่มู่หลวงลายปอกมาได้กว่าจอเอกบ่สมไฟหอยกันิงในทัดนั้นไปบอจ้าตาอบาบกาปลาก่อปิดจารณาสั้น่องหายังจองอุบาย ก็หันร้ายแจ้งที่มีใจกีจมบ้านเรียกคุณหันยศใหญ่มาอยู่ใกล้ก้องตาแล้วใครจะเก่าจี้อือแจ้งที่จูพาการคุณใจหันผู้เท่าอันเป็นเก้าโยธาก็อ า, า, าสาคาสู้รับพวมรู้จูอันอันก็มีหั น, นและนะ่นา ธามทังประกาศเซนโตัศรัทธาศรัทธาอันวาส ป, ปัญญูญยัดซอยหันบาดทอยบาลีบทหลังบีไปแจงพระจิงแสงเตสานาวามหิทธิราชาเสนาปตาิงปักโกซาเปตวาดังนี้เป็นตน พิงคาเวดูราพิกคู่ทรงตนทารงสินใสบ่อเศร้าเจ้อนักผาดเจ้าทารงยานส่วนเต้าผู้บ้านบางหิตทิราชเจ้าภาษาจจำปากันพิจารณาสั้นทรงหายัางจ้องอุบายกันหันลหลแจ้งที่มีใจขี้จมบาน สิ่งเรียกคุณหานยศใหญ่มาอยู่ไกลหอไในแลาา้วจะใครเกาจี้แจ้งทีขีญาวต้านจุงดาแต่งไว้ยังเฮือใหญ่เรือลายเหตุเราหมายไปภาพเก้นขนาประวียังเมืองปัญฑุมาดีแถมเหล่าซ้ำตีเก่าสองหน ยับเอาตนเจ้าฝ้ามาคำคาแต่งฟันเอาเจ้าหอดจันภาษาตั้งขาแปะอาดคำใส่เผาเวียงใจใหญ่กว้างเป็นเมืองห่างเบืองวอยเอารีปลนลายใหญ่น้อยมาเป็นข้าคอยคนในย้ำเราไปเมื่อก่อนจอดนอกบ่นปารา จุมโยธาอิดอ่อนเขายังย่อนเศร้านอนเสือดงดอนตัวหยาบมากั้นกาพะจนจุมรีปนหิวหอดบ่ได้จอดเศร้าซาผองมารนาหมกหมูมยย้อนภาพสู่ตั้งวันผองดับคันมวยมั่งย้อนเสือปากวางดงรีย้ำร้อยทีมืดคำ่ำมีพรอมพํามเลือลาย พ่องก็หายบ่อหันซากย้อนเสือลากไปกินเราอาจินสั้นซองจริงหันจ้องอุบายว่าเราตั้งลายไปผารปรบขานาแตงฟันถึงตาวันคำลาลงลับป่าไพรสนก้อยถอยห่นตั้งหมู ไปจอดอยู่ในเหือแม่นมีเสือลายลากแม่นำหากทุด ต, ตาเสือดงนาหน่อยใหญ่เตียงคามบ่ได้ดีรีรีปนมีมวนหมูมมจกดจอดอยู่เย็นใจต้านจุงเร็วไว้ดาาว้ออยังเหือใหญ่ปอปัน กันเจ้าหอจันทีราสุดเสียงขาดอง์การขุนใจหานยศใหญ่ขะดิงไขหันตันก่อเรียวปันบอ่อจ่าเออไผ ฟ, ฟ้าโยธาสร้างนาวารีพาวตามอาญยาเต้าปงปันพ่องเข้าดงตันเถือนทองตักไม่หล่องลองมา พ่องกอดาท่าทากตามเก้าหากปิ่นเต้าพ่องเลือเอาเป็นแปนตามตนแกวนจบทองตังทริปองเร่งสร้างบ่อเวนวังขึ้นวันพ่องทำกันสะเศร้าว่าเต้าภาพดาวปารางฮือแปงนาววะเฮือนใหญ่มีจ้องใจสั่งจา้า คืจากยกโยธาไปผ่ารบขนาบเมืองใดบอมีไผ่สักผู้จักได้หูสักจังพ่องได้ฟังโบทีก็กล่าวจีเยาวไปว่าเจ้าหอใจยดใหญ่จักคือไผ่ไตผ่เจ้าตั้งโยธาใหญ่น้อยได้จื่อจอยเจยบาน ไปสำรานยั่งยอนเล่นกางบอลสากรพองว่าพระภูทรเจ้าฟ้าจักเหือไปกา้าเมืองไก่ตามเบียงใจน้อยใหญ่อันอยู่ไกลกงกาเข้าต่างดาเร่งสางยังเหือใหญ่กว้างเจียง้านบ่อปอนานสักกากปีหนึ่งหากเป็นไม้ เพื่อหลวงลายเล่มใหญ่จริงเมียนไข่ดีลีเสนาบดีผู้เทาอันเป็นเก้าโยธ า, า <c oughs> ก็ไปทุนสาขับไไปบอกเต้าไทยตามมีก็มีวันนั้นและนะ เนตตังขีญาสังพนนานาวิเศษจหองเหตุสุวรรณแปะคำผูกสิบสี่หากเถึองตีสาวซาจิ้งขอวางลาเตาอีกอบังกมสมฤตเสร็จแล้วเต่านี้ก่อนแล